ธรรมกาถาครั้งที่8ตอนกายภายในภายนอกเกิดดับในบัรนี้ขอให้ตั้งสติประมวลเข้ามาอยู่ที่กายของทุกๆคนใจอาจวิ่งออกไปตามกังวลเพราะทุกๆคนย่อมมีกังวลในการงานบ้าง ในญาติบ้างในที่อยู่อาศัยบ้างในสิ่งอื่นอื่นอีกบ้างฉะนั้นก็ให้มีสติระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวตั้งใจว่าจะพักกังวลต่างๆไว้นำใจเข้ามารวมอยู่ที่กายอันนี้ก่อนและเมื่อพอใจในอาณาปานสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ตั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่นิมิตคือที่กำหนดใจเมื่อกำหนดที่ริมฝีปากข้างบนหรือที่ปลายกระพุ้งจมูกซึ่งเป็นที่ลมกระทบเมื่อเข้าและเมื่อออกก็ให้ตั้งจิตกำหนดไว้ที่จุดนั้น หรือว่าจะตั้งไว้ที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้อธิบายแล้วจะยกเอาจุดที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านเป็นจุดสำหรับตั้งจิตเพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายการตั้งจิตกาหนดที่จุดตังกล่าวนี้ให้มีสติระลึกมีสัมผัสัญญะรู้ทั่วอยู่ที่จุดนั้น หายใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รู้หายใจออกถึงจุดนั้นก็ให้รู้แต่ว่าการดูลมหายใจให้รู้นี้ตามสติปัฏฐานมุ่งดูให้รู้ภายในให้รู้ภายนอกให้รู้เกิดให้รู้ดับดูภายนอกนั้น โดยวิธีคิดพิจารณาอย่างหนึ่งคือให้รู้ลมโดยสมมุติบัญญัติลมหายใจที่จะกระทบริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ปลายกระพุ้งจมูกนั้นเมื่อกล่าวโดยสมมุติบัญญัติก็ว่าลมหายใจดังที่ทุกๆคนเมื่อกำหนดก็รู้สึกอยู่นี้เรียกว่า ดูภายนอกดูภายในนั้นลมหายใจนี้เองเมื่อว่าโดยประมาณคืออย่างละเอียดก็เป็นทาสี่ประกอบกันดังเมื่อใช้มือมารอไว้ที่ใกล้จมูกและหายใจออกให้ลมมากระทบก็จะรู้สึกมีส่วนเข้นแข็งที่มากระทบนั้น มีส่วนพัดไหวมีส่วนเอิบอาบชุ่มอยู่มีส่วนอบอุ่นส่วนที่เข้นแข็งที่ทําให้รู้สึกการกระทบก็เป็นธาตุ ด, ดินส่วนที่รู้สึกชุ่มชื้นก็เป็นธาตุน้ําส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟเป็นอันว่า ลมหายใจนั่นเองเมื่อว่าโดยประมาณก็เป็นท่าสี่นี้เรียกว่าดูภายในดูทั้งภายนอกคือโดยสมมุติบัญญัติว่าเป็นลมหายใจดูทั้งภายในคือดูโดยประมาณว่าเป็นท่าสี่อีกชั้นหนึ่งเมื่อดูอยู่ที่ตัวลม ก็เป็นภายนอกแต่เมื่อดูที่จิตคือกําหนดให้ติดเป็นนิมิตคือเป็นเครื่องกําหนดติดอยู่ที่จิตนั่นก็เป็นภายในเหมือนอย่างถ่ายรูปรูปถ่ายนั้นเป็นภายนอกส่วนที่ติดอยู่ในฟิล์มหรือติดอยู่ที่เลนส์เป็นภายในลมนี้ก็เหมือนกัน กำหนดดูที่ส่วนเป็นกายนั่นก็เป็นภายนอกกำหนดดูที่จิตที่เป็นนิมิตรปรากฏขึ้นที่จิตนั่นก็เป็นภายในกำหนดดูทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นภายในเมื่อกำหนดดูอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นเกิดเห็นดับเมื่อหายใจเข้าก็นับว่าเป็นเกิด หายใจออกก็นับว่าเป็นดับหายใจเข้านั้นโดยที่แท้ก็หายใจเอาท่าทั้งสี่เข้ามาด้วยหายใจออกนั้นก็นำเอาท่าทั้งสี่ออกไปด้วยจึงเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหายใจและบุคคลก็มีความยึดถืออะไรอะไรอยู่ในขณะที่ยังหายใจ เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็สิ้นความรู้ที่จะให้ยึดถือฉะนั้นจุดมุ่งของการดูกายในส่วนกายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ต้องการดูให้รู้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกให้รู้ทั้งเกิดให้รู้ทั้งดับแต่ก็ให้กำหนดว่ากายมีอยู่โดยเฉพาะก็คือ ลมหายใจมีอยู่แต่ว่ามีอยู่เพียงสําหรับจะได้ตั้งสติ ก, กําหนดสําหรับจะได้รู้แต่ก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรอะไรไว้กําหนดว่ากายมีว่าลมหายใจมีและในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางใจจากความยึดถือเกี่ยวเกาะทําใจให้ว่าง ทำใจให้โปร่งทำใจให้สบายตั้งสติให้แน่วแน่ในอารมณ์ที่กำหนดนี้ตอนเวทนาในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่นี้ก็อาจจะรู้สึกเป็นทุกข์เช่นเมื่อยขบบ้างถูกยุ้งกัดบ้างใจกระสับกระส่ายบ้างคืออาจจะมีทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ ก็ให้กำหนดรู้ว่ากำลังเป็นทุกข์กายไม่สบายใจไม่สบายไม่สบายเพราะอะไรก็จะจับเหตุได้ว่ากายไม่สบายเพราะถูกยุงกัดเมื่อยขบหรือเจ็บที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้รู้ว่านี่ทุกข์เกิดจากอามิ t คือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ต่างๆ คราวนี้ถ้าไม่สบายใจเช่นอึดอัดใจตั้งมั่นไม่ลงก็ให้พิจารณาว่าไม่สบายใจเนื่องมาจากอะไรก็จะพบเหตุว่าเพราะใจบางทีมีกังวลอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้รวมใจไม่ได้บางทีเพราะยังไม่เคยทำความสงบใจจึงมักแล่นไปทางนอน แล่นไปทางนี้เพราะไม่เคยทำให้อยู่นิ่งจึงไม่เป็นสุขที่จะอยู่นิ่งก็ให้รู้ทุกใจนี่ว่าเกิดจากอามิตรคือมีสิ่งที่มาทำให้เป็นทุกข์ต่างๆคราวนี้เมื่อกําหนดดูให้รู้ทุกทั้งทุกกายทั้งทุกใจในขณะปฏิบัติอยู่และดูให้รู้ว่า มาจากเหตุอะไรไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์นั้นคงตั้งใจที่ปฏิบัติต่อไปตามกำหนดทุกข์ก็จะค่อยๆสงบไปใจก็จะตั้งมั่นขึ้นเมื่อใจตั้งมั่นขึ้นก็จะมีความสุขขึ้นเมื่อได้รับความสุขขึ้นก็ให้กำหนดดูความสุขสุขกายก็ให้รู้ สุขใจก็ให้รู้สุขกายเช่นได้รับลมพัดมาต้องกายสบายไม่มีความเมื่อยขบก็ให้คิดต่อไปว่าที่เป็นสุขนี่เพราะอะไรถ้าความรู้สึกเป็นสุขกายนั้นก็เพราะดินฟ้าอากาศหรือไม่รู้สึกเมื่อยขบเพราะได้ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ก็ให้รู้ว่ายังเป็นอามิสุขสุขที่มีอามิคือมีสิ่งที่ทำให้เป็นสุขอยู่ข้างนอกถ้ามีความสุขใจก็ให้รู้ว่าสุขใจนั้นเกิดเพราะอะไรบางทีเกิดเพราะใจแวบออกไปถึงเรื่องข้างนอกที่สุขใจคิดเพลินไปกับเรื่องนั้นก็ให้รู้ว่าเป็นสุขที่มีอามิส คือมีสิ่งที่ทำให้เป็นสุขอยู่ข้างนอกแต่ถ้าความสุขใจนั้นเกิดจากความสงบคือเมื่อรวมจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่จนได้ปีติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจที่เกิดจากความสงบสงดัดถ้าได้ความสุขดังนี้ก็ให้รู้ว่านี่เป็นสุขที่เป็นนิรามิตรคือเป็นสุข ไม่ใช่เกิดจากอามิตรเครื่องล่อในภายนอกความสบายกายที่เกิดขึ้นเพราะจิตสงบสงัดก็เหมือนกันก็ให้รู้ว่านี่เป็นความสุขที่ไม่เกิดจากอามิตรเครื่องล่อภายนอกแต่เกิดจากความสงบสงัดและเมื่อได้ทำจิตให้ตั้งมั่นแน่แน่ยิ่งขึ้นความสุขที่ปรากฏ ก็จะสงบลงไปโดยลำดับจนรู้สึกเหมือนไม่ทุกข์ไม่สุขใจรวมแน่วแน่ถ้าไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างนี้จึงจะเป็นนิรามิตคือไม่ใช่เกิดจากอามิตเครื่องล่อข้างนอกแต่ถ้าตรงกันข้ามก็เกิดจากอามิตเครื่องล่อในภายนอกเพราะฉะนั้น ในการทำสมาธิคือเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอาณาปานสติก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาของตนด้วยในเบื้องตน้นก็เป็นทุกข์ก่อนแล้วทุกข์ก็จะสงบเป็นสุขและเมื่อละเอียดเข้าสุ ข, ขก็จะสงบเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็นอันจิตใจได้ตั้งมั่นแน่วแน่แต่ข้อสำคัญนั้นต้องคอยดูไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เป็นสุขที่เกิดจากอามิตรคือเครื่องล่อข้างนอกต้องคอยดูให้รู้ไว้เมื่อเป็นสุขที่เกิดจากความสงบสงัดในขั้นต้นนี้ก็ควรที่จะรักษาไว้ก่อน เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมฉันทะในการปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ติดอยู่ในความสุขนั้นให้มุ่งอยู่ที่อารมณ์อันเดียวเท่านั้น 27. สิงหาคม2504